3. น้อมรับโพธิจิตข้าพระเจ้ารู้สึกปลื้มปีติสุขในพระธรรมที่ช่วยปลดเปื่องสรรพสัตว์ทั้งหลาย จากความทุกข์ยากเข็นใจในสังสารวัตขอให้ผู้ที่ทุกข์ยากทั้งหลายจงมีความสุขเถิดข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปีติในการหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งสังสารวัตรในความเป็นพระผู้ปกป้องขององค์พระโพธิสัตว์และองค์พุทธะทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปีติ ในเหล่าคูรู้ผู้ชี้ทางแห่งโพธิจิตผู้เป็นดั่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลอันนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยสองมือยกขึ้นประนมข้าพเจ้าขอองค์พระผู้รู้แจ้งทั้งหลายในทิศทั้งสิบจงช่วยจุดประทีปแห่งธรรมเพื่อนำทางผู้ที่ยังหลงอยู่ในความทุกข์ แห่งสังสารวัตรนี้ด้วยเถิดขอให้ผู้ที่กล่าวร้ายข้าพเจ้าผู้ที่ทำร้ายข้าพเจ้าและผู้ที่เย้ยหยันข้าพเจ้าจงมีส่วนในการตรัสรู้ทำด้วยเถิดข้าพเจ้าขอเป็นผู้ปกป้องแก่ผู้ที่ไม่มีใครปกป้องข้าพเจ้าขอเป็นดั่งผู้นำทางแก่ผู้เดินทาง ข้าพเจ้าขอเป็นดั่งเรือสะพานหรือเรือใหญ่แก่ผู้ที่ปรารถนาจะข้ามฝั่งข้าพเจ้าขอเป็นดั่งตะเกียงแก่ผู้ที่ต้องการแสงสว่างข้าพเจ้าขอเป็นเตียงแก่ผู้ที่ต้องการจะพักผ่อนและข้าพเจ้าขอเป็นคนรับใช้แก่ผู้ที่ต้องการผู้รับใช้ ขอให้ข้าพเจ้าได้สร้างโพธิจิตให้บังเกิดขึ้นเพื่อยังประโยชน์แก่เหล่าสพัพพสารและขอให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องเมื่อบังเกิดโพธิจิตอันเป็นสิ่งที่น่ายินดีผู้ฉลาดยอมฝึกฝนให้งอกงามยิ่งขึ้นเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของตนบัดนี้ ชีวิตของข้าได้ออกดอกผลได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ดีบัดนี้ข้าพเจ้าได้เกิดมาในตระกูลของพระพุทธเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าคือบุตรของพระองค์ดังนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำย่อมต้องสอดคล้องกับวงตระกูลมันต้องไม่ทำให้เกิดความมัวหมอง ในตระกูลของผู้บริสุทธิ์คล้ายกับคนตาบอดที่อาจพบแก้วมณีอัลล้ำค่าได้ในกองขยะการบังเกิดโพธิจิตขึ้นในใจข้าพเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันโพธิจิตเป็นดั่งยาวิเศษที่ทำให้พ้นจากความตายเป็นมหาสมบัติอันไม่รู้จักหมดสิ้นที่ขจัดความยากจนในโลก เป็นยาวิเศษที่ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของโลกเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ทุกชีวิตที่อ่อนล้าจากการเดินทางในสังสารวัตเป็นสะพานแก่นักเดินทางทุกคนเพื่อใช้ข้ามความทุกข์ยากของสังสารวัตเป็นดวงจันทร์ที่ขึ้นกลางใจ ที่ทำให้ความทุกข์ยากใจทั้งหลายในโลกสงบลงเป็นดวงอาทิตย์อันยิ่งใหญ่ที่ขจัดความมืดแห่งอวิชชาของโลกเป็นเนยสดเข้มข้นที่ปั่นจากน้ำนมแห่งธรรมะสำหรับคารวานของสัตว์โลกที่เดินทางอยู่ในสังสารวัตและหิวกระหายอาหารแห่งความสุขโธทิจิต เป็นดั่งอาหารแห่งความสุขอันมากมายที่จะทำให้แขกทั้งหลายนั้นพึงพอใจณนะวันนี้ข้าพเจ้าได้เชื้อเชิญโลกให้ดำเนินสู่พุทธภาวะอันจะพบกับความสุขไปในระหว่างทางขอเทวดาอินพรหมอามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายจงร่วมอนุโมทนา ในการเกิดขึ้นของพระผู้ปกป้องทั้งหลายด้วยเถิด